Bangkok Radio Forever โดยวิทยาแสงอรุณพี่น้องจ๋าและสินปิ๊นนะครับๆของพวก 2 สัปดาห์สําหรับที่แล้วนะลืม FM 102 ไป สุดเด็ดกาตินีอ่ะครับก็อยู่กันครบนะครับพี่วิทยาแสงปีนะที่เรามาจัด 16 มกราคมปี 2554 นั่นก็คือเสียงของพี่ปิ่นๆนะครับเสียงพี่ก็ ก็ตอนนี้ก็เห็นอยู่แล้วว่าจริงหรอตอนนี้ไม่รู้ยังยังไม่เปิดกล้อง 7 ปีที่แล้วบ้าบ้าเหรอคุณ 7 เดือนซะสิประมาณตอนนี้เป็นภาพนิ่งอยู่ใช่มั้ยมากกว่าๆนะครับ เออพี่วิทยาแต่ไม่ MSN ไปด้วยที่ bangkokradio.co.th ไม่ใช่ใช่ bangkokradio.formen@hotmail.com @msn เข้าไปนะครับ bangkokradio.formen@hotmail.com แล้วก็จะคุยกับ อยากเป็นสีอื่นมั้ยล่ะหน้าจอเป็นสี 22 ก็ไปโจคือไม่น่าตอบไว้เป็นรูปนิ่งอ่ะระบบนี้แปลกๆตอน Radio Comment แต่ 08 เออ สับสนว่ะเจสับสนทั้งบ้างเพราะเป็นสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เครื่องว่าเวิร์คเออนั่นน่ะสินะครับเอ้าก็วันนี้ประเด็นของเรา ให้หมอสมกับวันนี้วันที่ 16 มกราคมซึ่งเป็นวันครูเราก็จะสอบกันว่าคุณผู้ฟังเนี่ย ครูครับผมอยากบอกคุณครูว่าจุดๆๆอืมจะบอกคุณครูว่าอะไรจะอะไรก็แล้วแต่หรือว่าใครเคยแบบเคยชอบเออคุณครูพละเออใครกล้า เออสงสัยครูสงสัยครูแล้วจะจับตองแตวครูเออเอออะไรอย่างงี้แกทําให้ครูตกใจ เออจริงสมัยวุบ้าบ่าวอ่ะฉันขอสภาพบาปสมัยสัก 150 140 กว่าๆผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงผู้หญิง 4 คนรอบ 4 คนที่ อ่านๆๆๆๆหมดชั่วโมงชีก็ออกไปในห้องเนี่ยข้างรูปเตะบอลก็ไม่มีอะไรสนใจสงสารชีเหมือนกันนะชีก็อ่านอือเออยังจําชื่อเออสงสัย ต้องทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างต้องสง่าสงัดเงียบสงบอืมทําให้แบบอุ้ยแต่แต่ก็โอเค everything in the book in your book บัญชี Facebook เนี่ยเป็น book เออเอ่อแล้วปี ก็ดูพรุอื้อสวยเยอะๆๆอยู่มันเยอะอยู่แล้วล่ะพอพอทิ้งคืนเป้งทุกเนี่ยเค้า เอ่อปกติเค้าใช่แล้วเค้าก็จะมีเป็นเขียนหนังสือไฟใช่เค้าไฟจริงเออเชือกเชือกเออเชือกเออเชือกโอ้โหน่ากลัวมาก ได้อารมณ์อืมใช่ได้ภวังค์ได้อารมณ์พอตื่นเช้าขึ้นมาก็มีแมงกะพุนเต็มเลยฮะใช่มั้ยจะลืมไปแต่ต้องบอกว่าคุ้มมากอ่ะครับเพราะคู่ไปจริงๆได้ดูตลอดทั้งคืนแล้วก็เห็นทุก ใหญ่เลยใหญ่เลยมีตลอดทั้งคืนนะวุฒิจริงพูดยิงกันตลอดทั้งมันต้องหลับมันก็นอนเลยเหรอเออก็เลยเที่ยงคืนก็ยังยิงก็มีนก 20 30 ลูกอ่ะแต่ละแต่ละครั้งอ้าวแล้ว ปิงก็เห็นว่าเออปิงก็นั่งนึกหูยแบบว่าถ้ามันกระบอกเป็นประมาณสักสักไม่ 500 เนี่ยเป็นโต๊ะถึง 1,000 ประมาณนั้นพูพูเนี่ยพู 6 นิ้วอ่ะ 500 บาทลูกพูขนาด 6 นิ้วอ่ะพู 6 นิ้วอ่ะ คูณขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอุกุ้มมากเลยอ่ะแบบ จริงครับเบลเออนิวเยียร์คอนโดเพื่อนเออลดมากเลยกูเออไม่ใช่ไม่ใช่อย่างเงี้ย 16 นะแต่ว่า เกมาก 32 เออแต่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ๆๆอยู่ตรงกลางเมืองเลยอ่ะที่แบบจะดูจะไกลเออก็นิดนึงก็ๆก็มีใกล้ๆ เราก็จุดไฟเย็นกันไงก็ลั่นลาอะไรอย่างฉันก็ปากดีเนาะเออบอกว่าเออคืนชนีสู่ป่าค่ะกันลง แล้วก็มดิกะจะว่าไข่ใช่ป่ะแล้วก็พูดลอยๆแบบชิรงชนี 4 ตัวนั่นก็โดดลง 4 เลยเหรอ 4 ตัวเลยหรือเปล่าได้ยินยางไม่ มีป่ะเอ่อเค้าก็จะเห็นแต่ภาพไม่ได้ยินเสียงเออก็เป็นจอสีเขียวอยู่อ่ะใช่ถูกต้องศิวาลัยเออ อ๋อแท็กซี่อยู่เออเออทําภาษาบ้าเออทําภาษาบ้าเออทําภาษาบ้าไปแล้วกันเนาะรายการอ้อเดี๋ยวๆๆถ้าอย่างงี้เป็นคาราบาวใช่มั้ยต้องอย่างงี้ใช่ กดวิดีโอเหรอเออลองดูสิวิดีโอวิดีโอเลยครับไม่ใช่ล่ะ ได้ยินเสียงยังครับจั๊กเอ๊ะจั๊กเอ๊ะได้ยินเสียงยังครับไม่ได้ยินก็มีอีกอยู่เทาลดีนี่ ไอ้นอกพิธีกรรมใหญ่มากเลยประมาณเนี้ยดีเลยโอ๊ยตายอ่ะไปหมดเนี่ยอะไรอีกเสียงนี้เล่นนี่วิวอยู่ นักก้มมาค่ะให้มันก้มมาอีกนิดนึงอ่ะเออๆมันอ้าวมันอยู่เมืองนอกกันเลยนะมึงไหนจอเล็กมั้ยตอนนี้ ไตลี่เธอมีการนิเวศน์โอ๊ยอย่าใกล้ชิดมากไม่แต่เราเค้าก็บอกว่ายังยังโอ้โห เล่นกันไปเล่นกันไปโอ้ยเอาไหนเนี่ยยังไงดีล่ะหรือว่าอัดไปเรื่อยๆก่อนใช่มั้ยแล้วก็คุณก็ไปตอนนี้ก่อนเรื่อยๆอยู่ ของในเข้าพิมพ์ดีดเออถูกเครื่องพิมพ์ดีดหายไปเครื่อง VCD เครื่องเล่นอ๋อเครื่องเล่น CD อ๋อวิดีโอ VCD เอ่อ DVD ป่ะเทปแคสเซ็ตแคสเซ็ตเทปแผนที่แผนที่ยังไม่หายไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้ Google เป็นเป็นเป็นเป็นออนไลน์อะไรเป็นอะไรนะเป็นเค้าเรียกอะไรอ่ะเดปิเกเตอร์ นะนาฬิกาใช่เพราะว่ามันจะใช่ก็ดูจากโทรศัพท์อ่าเพราะว่าที่ช่วยดูหน่อยนึงอืมและอีก เอ้าจักไม่ได้เสียนี่ทําอะไรนะไม่ได้ทําอะไรเออเข้ามั้ยลอง ยังไม่ได้อ๋อมันยังดีเลย์อยู่อีก 2 นาทีอ่ะเราก็ต้องดูกันไปเลยคือเวลา 4:00 น. ผมฟังอันนึงแต่ไม่คุณจะได้เออ 1 นะ อ่าหลับไปแล้วเหรอสิเลยก็คืออีกอย่างนึงที่จะหายไปครับจดหมายเออมันกลายเป็นอีเมลโทรกราฟอะไรพวกนี้เออไม่ฉะนั้นแต่ 2 ค.ศ. มันก็ยังเป็นอะไร อ่ะรับโทรศัพท์นิดนึงอ๋อๆมีคนโทรเข้ามาสวัสดีครับฉันไม่ได้ยินสวัสดีครับฮัลโหลไม่ กาดกอไก่มั้ยแล้วก็ 2 เออเอ่อพูดพูดชื่อโอเคชัดแรงโอเคก็ได้รายการเลย ใช่ครับก็นั่งเร่งนั่งรีเซตแล้วก็ตอน 4:00 น. นั่งมองๆครับเมื่อๆกันอยู่แล้วสิ่งค่อยๆโผล่มาคุณกัส เอ่อฟังฟังรายการมานานแล้วใช่มั้ยครับอืมถ้าฟังโอ้โหคือแบบว่ากินข้าว 3 ก็ฟัง The File ไล่ ที่ที่ทํางานฮะเค้าเข้ามาใหม่ไงแล้วเค้าแบบผมก็เปิดๆแล้วแสดงว่าเอ่อพี่ที่ทํางานเนี่ยเพื่อนที่ทํางานจาก ทางคอมพิวเตอร์อ่ะดีเลย์มั้ยดีเลย์ป่ะอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้หูฟังใส่หูซ้ายในโทรศัพท์อ๋ออ๋อทํา 5 วิก 20 วิกได้มั้งเมื่อกี้เพิ่งพูดคําอื่นเรื่องที่ทํางานอยู่เลยเมื่อเออแอปพลิเคชันของ ส่งยังไงอ่ะมันเป็นรายการส่งมาที่ Bangkok Radio Form Mail หน้าหน้าจอเนี่ยมันจะมี iRadio ได้อ๋อที่อ๋อเป็นอีเมลอ๋อไม่ทาง iRadio เอ้ยพี่เราจะเล่น เสกที่ยังคล่องเหมือนเดิมมั้ยเนี่ยเอ่อเสกพี่นมเหมือนเดิมมั้ยฮะจากในที่ของฟังชัดเลย 1 เดือนแล้วเด 1 ปีที่ผ่านมาบ้างกับรายการก็ค่อนฟัง ก็ว่าเออถ้าเรามีการรวมกลุ่มกันอย่างนี้ทําอะไรที่แบบมันอ๋อแล้วเราให้ฟังก็ประสบการณ์หลายคนเหมือนโดน นะครับครับผมก็หลายคนมาแล้วก็ได้รับความสนุกสนานบันเทิงแยะมากมาย มัน Facebook ว่าเมื่อไหร่จะจัดมีทิ้งกลางวันบ้างแล้วเอออ้าวเหรอ 30 วันเหนื่อยอ๋อจริงเหรออยาก 30 วัน ก็ทําทํา 2 ที่อ่ะครับมันก็เลยนิด 30 วันต่อ 1 วันไม่มี 31 วัน 1 วันอ๋ออ๋อครับก็ โอ้ไม่ไม่ผมว่าโอเคอายุยังไม่เยอะก็ทําไปก่อนถ้าเยอะแล้วค่อยผักไว้กันดีอ๋อไม่แต่บางทีจ๊ะฮะอะไร งานเนี่ยต้องใช้กับกริยาว่าปั่นเท่านั้นพี่น้องอ๋อเอามือปั่นงานใช่แล้วต้องเอามือปั่นงานโอ้ๆเสียวเนาะบางทีมันก็มีงานหลักเอออ่าอ่าโอเคครับมาอีกสายนึงเลยอีกสายนึงเลยเออสวัสดีครับเออพูดได้แล้ว เบียร์เบียร์หล่อสวัสดีครับพี่ๆทั้ง 2 คนนะเธอเปิดหน้าต่างอยู่เหรอถึงเจนใช่ก็เป็นงานนอนหลับเออเสียงทะเลวไปหมดแล้วเนี่ย อ๋อไม่ได้ดูครับไม่ได้ช่วงต้นน่ะช่วงช่วงเปิดรายการจนถึงนาทีที่ 28 เนี่ยเออแล้วมีอะไรจะ น่าเกลียดที่สุดเลยคนนั้นอ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะแต่แต่เขาไปสบายเลยโอ้โหเขาครูคน เขาสอนเขาสอนมีอ่ะอยู่ตั้งแต่เรียนอยู่ก็เขาก็โทรมาบ่อยมากเลยนะเกือบๆทุกอาทิตย์อ่ะมา นี่นี่อยู่แถวไหนเนี่ยหมาเยอะนะเนี่ยบอกให้เค้าไปหลับไปนอนก่อนมาถึงมาโก้ 6 เนี่ยมาจริงหรือเพื่อนเธอเนี่ยโอเคครับเออก็อ่ะโอเค เดี๋ยวฟังรายการเราต่อนะมี Facebook ใช่มั้ยครับได้ครับไปฟังรายการชมชมยังไม่มีครับกําลังเลยหาดูอยู่ครับอ่า เป็นหนองเพงที่ดีเธอเออโหเธอหน้าผากบ้างนะเจบ้างโอ๊ยเล่นกันใหญ่นี่เธอใครฟังอยู่ 02 338 3589-90 นะเบอร์นะส่วน SMS จะ SMS มั้ย SMS 422 935 ก็ SMS ได้เปลี่ยนรูปยัง 02 นะ 3589 ถึง 90 นะครับถ้าเกิดเราจะไม่ถ่ายเออเราก็เล่น ตอนนี้คุณผู้ชมก็จะเป็นถ่ายโอ๊ยเราก็ปูดปูดไปนะปิ่นปิ่นดูผอม รวมรวมกันอ่ะนั่งใกล้ๆกันหน่อยอ๋อมันมันก็จะไปอ๋อเออควรจะ